วัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมาฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปการปฏิบัติกรรมาฐานที่ทรงจำแนกแสดงไว้โดยนิยะต่างๆนั้นจุดมุ่งหมายสำคัญจริงๆก็คือต้องการจะให้จิตสงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่บุคคลกำหนดระลึกจนกลายเป็นสมาธิในชั้นนั้ น, น, น มืทรงจำแนกแส ด, แดงในจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกดูจิตในแต่ละขณะที่จริงเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปเร็วแล้วเกิดดับเร็วบางครั้งบางคราวผู้ปฏิบัติอาจจะกำหนดไม่ทันโดยซ้ำไปว่าในขณะนั้นจิตมีสภาพเป็นอย่างไรทั้งนี้เพราะบางครั้งบางคราวเป็นภาพลวงตา ทำให้บุคคลเข้าใจสับสนไปว่าเป็นกุศลบางครั้งอกุศลปรากฏแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอกุศลตอนนั้นจึงต้องแสดงจำแนกไว้เป็นคู่ๆถึง8คู่ด้วยกันแต่โดยสภาพของจิตแล้วก็มีเป็น16กอย่างเป็นอาการคือปรากฏออกมาเป็น16ลักษณะแต่ว่าแ ต, แต่ละลักษณะนั้น ไม่ได้ปรากฏอยู่ น, น, นานๆก็จะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของไก่เองในขณะนั้นๆด้วยให้ความรู้สึกเช่นนี้เดียวกันแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นสูงขึ้นจงอยู่หรือลดลงการติดตามจึงเป็นตึงที่จะต้องติดตามกันอย่างแท้จริงลักษณะการติดตามเหล่านี้บางครั้งบางตาวแม้แต่ท่านที่เป็นผู้รู้ ทั้คราวจะตามจิตคนอื่นถ้าหากว่าเขาคุมไว้ด้วยอารมณ์ของกรรมฐานก็จะตามจิตเขาไม่ได้ก็จะเห็นเป็นสมาธิตั้ ง, งทั้งที่จิตของบุคคลนั้นเพียงแต่เอามาคุมไว้แต่นั้นเองเหมือนจับลูกโคสนๆมาล่ำไว้กันหลักดูแล้วก็ไม่สุขสนมากนักแต่แท้จริงก็ยังสนอยู่ดันั้นในจิต ต, ตาอนุปัสานาสติปฐานช่วงที่สี่คือคู่ที่สี่ ส่งสอนให้ดูจิตอีกคู่หนึ่งว่าจิตของเราผหดถูก็รู้ว่าขณะนั้นจิตของเราหดถูซึ่งได้กล่าวไปแล้วในวันก่อนตรงกันข้ามก็คือจิตที่ฟุ้งสัน่นแกว่งไปสายไปในอารมณ์ต่างๆหากว่าเกิดขึ้นก็รู้ตามความเป็นจริงของจิตในขณะนั้นๆจิตที่ฟุ้งสั่นนั้น ท่านได้แ ส, แ, แสดงลักษณะของความเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของจิตก็ เ, เป็นเหมือนกับคลื่นในมหาสมุทรก็มีขึ้นมีลงกันอยู่เสมอแล้วก็มีการทยอยติดตามมาไม่ขาดสายบางครั้งมีการพลิ้วไปของจิตในอารมณ์ต่างๆตอนเริ่มต้นอาจจะเริ่มที่ความคิดอะไรก็ได้ไม่ได้หมายความว่าฟุ้งมาตั้งแต่ต้น อาจจะเริ่มมาจากจุดอื่นจุดการมองถึงเรื่องที่กำหนัดรักใคร่พอใจหรือมองในเรื่องที่เราไม่ชอบจริงจังต่มีปัญหาในด้านสุขภาพกายจึกลายเป็นสุขภาพจิตตามไปแต่เมื่อฟุ้งไปโดยกำหนดทิศทางอะไรไม่ได้ก็ถือว่าเป็นอาการฟุ้งไปของจิ ต, ตท่านจีเห็นในลักษณะของจิตเช่นนี้ว่าเหมือนกระท o n ที่อยู่ปลายเสา คือแม้ตัวของธงเองจะไม่พลิ้วไหวแต่เมื่ออาศัยลมก็พลิ้วไหวไปลมมีทิศทางที่ไม่แน่นอนหรือพัดมาทางไหนก็จะพลิ้วไหวไปในทางนั้นใจของบุคคลที่มีความฟุ้งอยู่ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในขณะนั้นๆว่าเป็นอยุดนึกอะไรมาอย่างไรก็จะบังคับใจให้พิ้วไปเช่นนั้นอาการฟุ้งสั้น อาการฟลิ้วไปหรือพล่านไปของจิตมีปรากฏอยู่ในคนทุกคนตัวจะมากหรือน้อยนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งตับใดที่ยังเป็นสามัญชนอยู่อาการฟุ้งไปของจิตก็จะมีอยู่ตับนั้นข้อนี้ถ้าหากว่าลองวิเคราะห์จิตของตนเองหรือของคนอื่นหลายหลายคนโดยการตั้งวงสนทนากัน แล้วก็เทปมาแอบอัดไว้โปรยสนทนากันไปเรื่อยๆและเป็นที่น่าสังเกตอยู่ประการหนึ่งว่าบทความเรื่องราวที่สนทนากันนั้นยังไม่จบแต่ก็มีคนซึ่งมีความฟุ้งอยู่ภายในใจยกเรื่องอื่นขึ้นมาพูดกันการฟุ้งของใจเหล่านี้บางครั้งบางคราวแม้มีระเบียบบาราการประชุมอยู่แล้วก็อดอดจะจะออกไปข้างนอกไม่ได้ นั่นหมายถึงความเปลี่ยนแปลงภายในที่แสดงออกมาให้คนต้องพูดต้องแสดงในขณะนั้นๆความฟุ้งซ่านของจิตหรือความสายไปความพรั่นไปของจิตจึงเป็นปัญหาที่ออกจะยืดเจื้อพอสมควรและละ่าได้ยากยิงเพราะมีพระพักเจ้าทรงสอนให้บุคคลมองเห็นโดยความเป็นโทษคือมองเห็นโทษโดยความเป็นโทษ แม้ถ้อยคำสํามวนจะมีลักษณะเป็นภาษาบาลีอยู่บ้างก็ตามแต่ภาพจะปรากฏชัดขึ้นภายในใจของบุคคลเพราะสิ่งอะไรก็ตามถึงแม้จะมีโทษตัวตัวของสิ่งนั้นเองแต่ถ้าหากว่าบุคคลไม่รู้ซึ้งถึงใจว่าสิ่งนั้นมีโทษก็ได้ชื่อว่าเป็นการมองสิ่งที่มีโทษโดยความไม่มีโทษโอกาสที่จะละปล่อยวาง หลีกนี้สิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้พระเจ้าจึงทรงเน้นถ้อยคําซ้ําลงไปว่ามองเห็นโทษโดยความเป็นโทษคือสิ่งนั้นเป็นโทษด้วยและใจคนต้องยอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นโทษด้วยไม่ใช่เป็นการยอมรับในลักษณะของปริยัตคือการศึกษาแต่เป็นการยอมรับด้วยใจที่ทราบซึ่ง วิเคราะห์วินิจฉัยปรุงใจตัดสินใจตกไปแล้วเห็นโทษไปจากแก่ใจตนเองอย่างก็จะให้เกิดความเพียรพยายามในการที่จะคลายที่จะผ่อนคลายความคิดเหล่านั้นออกไปจากใจแต่ถ้ายังไม่มองเห็นโอกาสที่จะคลายที่จะบำบัดแก้จัดความรู้สึกเหล่านั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้การมองเห็นโทษของจิตที่ฟุ้งจึงเป็นความจําเป็น แต่ก่อนจะมองเห็นโทษนั้นจะต้องมองถึงพื้นฐานที่เป็นเหตุเกิดใน ล, ลักษณะของอารมณ์บ้ามันมีอาการเป็นอย่างไรนอกจากที่ทรงอุปมานอกจากที่ท่านอุปมาว่าเป็นเหมือนคลื่นในมหาสมุทรเป็นเหมือนการพิ้วไหวของธงเป็นอาการผ่านไปในที่ต่างๆทํานองของสัตว์ที่ถูกขังไว้ในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ดิ้นไปใน แต่ละทิศของบริเวณที่ถูกค้งไว้เอาก็จริงดิ้นไปดิ้นมาก็คงอยู่ในสถานที่นั้นนั่นเองจิตใจของบุคคลที่มีลักษณะพลั้นไปในรมต่างๆก็เป็นเช่นนั้นจิตใจพลั้นไปโดยไม่มีทิศทางที่แน่นอนจ่อไปตรงนั้นทีถึงนั้นทีตรงนั้นทีหนึ่งแล้วก็หมุนกันไปเรื่อเหล่านี้ท่านเรียกว่าเจตโสอาวุปสมะคือความไม่สงบแข็งตั เนื่องจากใจได้พลาดไปแทนที่จะสงบอยู่ในอารมณ์นั้นๆถ้าจะถามว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นการเกิดขึ้นมาจากความไม่สงบของใจแต่ตัวการใหญ่จริงๆก็คือเกิดขึ้นมาจากการไม่ใช้ปัญญาปิเคราะห์พินิษฐิจนาโดยหลักของโยนิโสมนสิกาบางครั้งบางคราวเพราะความฟุ้งที่เกิดขึ้นภายในใจเป็นเหตุ ทำให้คนทำอะไรรุนแรงเพียเพ้ยนๆออกไปในพฤติกรรมเช่นนี้แม้ในสมัยพุทธกาลเองก็มีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยท่านเล่าไว้ในอัตกถาพระธรรมบทว่าพิสุนุมรูปหนึ่งได้บวชในสำนักของพระมหาสังกัลคิเทระเป็นลูกน้องสาวของท่านบวชแล้วก็อยู่ปฏิบัติท่านอุปชาซึ่งมีฐานะเป็นลงลงด้วย ต่อมามีทายกตวัตภาพผืนหนึ่งยาแปดศอกท่านเกิดสธาขึ้นมาอยากจะถวายหลวงลุงเพื่อได้บุญแต่หลวงลุงท่านเป็นพระหันท่านบอกว่าคุณเก็บไปใช้เถอะฉันมีแล้วแกพยายามอ้อนวอนด้วยประการต่างๆแต่ท่านก็ไม่รับพิสุนลุงรูปนั้นก็น้อยใจว่าในสมัยเป็นคารวาท่านก็เป็นลุงเราเมาบวชมาแล้วท่านก็เป็นอุปชาจาของเรา แต่ท่านจะช่วยสงเคราะห์เราให้ได้บุญหน่อยก็ไม่สงเคราะห์ทไมควรจะอยู่เป็นภิกสุตต่อไปก็ควรจะสึกในที่สิดก็คิดวางแผนสึกเริ่มต้นจากกายการผ้ายาวแปดสอกนั้นไปขายทั้งหมดเป็นกระบวนการความคิดที่จะเห็นว่าเริ่มต้นด้วยปฏิฆะคือความไม่พอใจใจก็ดินดินไประยะหนึ่งในที่สุดก็ออกมาในรูปของโลภะ ในความโลภแต่มีโมหะแฝงเร้นอยู่เป็นกำลังท่านก็เริ่มคุมความคิดไม่ได้แล้วก็คิดด้วยไปเรื่อยๆว่เาเมาท่านสึกก็ไปแล้วก็จะขายภาพผืนนั้นซื้อแพะมาสองตัวตัวเมียตัวตัวผู้ตั ว, ต, ว, ต, ว, ต, วต่อมาไม่กี่เดือนแพะก็มีลูกท่านก็ผสมผ่านแพะจนกลายเป็นผงแพะใหญ่ในที่สุดก็ขายนมแพะบ้างขายแพะบ้าง มีเงินมีทองขึ้นมาก็ซื้อโคซื้อนาทำนาไถนาด้วยโคขายนมโคขายนมแพะขายลูกแพะจนมีฐานะร่ำรวยขึ้นมันก็แต่งงานกับต่างพรรามณีคนหนึง่งอยู่ไม่เท่าไหร่ก็มีลูกตาลูกชายขึ้นมาคนหนึง่งตอนนั้นใจก็หวนประวัติถึงหลวงลุงเลยตั้งชื่อลูกชายให้เป็นที่ระลกึกว่าสังการขิดเอาชื่อเอาตามชื่อของหลวงลุง คิดจะนำหลานชายไปเข้าไปหาลงุงๆเพื่อล ง, ลงลุงตั้งชื่อให้ตอนนั้นมีฐานะบางครั้งร่ารวยแล้วก็พาขึ้นเกวียนไปในขณะขึ้นไปนั่งบนเกวียนท่านก็ขับเกวียนพัญญานั่งอยู่ข้างในทั้งหมดเป็นเรื่องของความคิดแต่คิดได้มาเรื่อยจนตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานในครอบครัวมีลูกมีตาก็นั่งพัดหลวงๆอยู่ตรงนั้นเองแต่อาการเคลิบเคลิ้มไปเอามาก เมื่อท่านคิดมากขึ้นก็บอกว่าต้องการจะอุ้มลูกพัญญาไม่ยอมให้ลูกมาอุ้มท่านก็เถียงกันไปเถียงกันมาพัญญาโกรธก็โยนลูกลงข้างล่างล้อเกวียนทับลูกตายท่านก็โกรธพัญญาก็ตีด้วยปะตากอย่างแรงแต่เนื่องจากในขณะคิดอยู่นั้นท่านกำบังพัดหลวงหลุงซึ่งเป็นพระหันอยู่เวลาตีก็ตีหัวหลวงลุงไปได้น้องลุงท่านเป็นพระหันท่านก็ไม่หันมาถามอะไรกำหนดรู้จิต ย้อนดูจิตภิกษุาทาไมจึงออกมาในรูปนี้แล้วท่านก็กล่าวว่าสังรกิจเธอโกรธมาตุคามตีมาตุคามไม่ได้แล้วมาตีหัวหลวงตาแก่ๆอย่างฉันทำไมต้องก็ตกใจรั้วหลงลุ่มรูปความคิดก็วิ่งหนีพระก็ไปจับมังฝ้าหลวงพ่อเจ้าหรวงุ่อเจ้าทรงชี้โทษของการคิดเป็นไปตามอำนาจจิต ว่าจิตที่วิ่นพลานไปอย่างนี้แต่เราคิดตามอย่างนี้โดยไม่ควบคุมเอาไว้ในที่สุดก็กระเจิดกระเจิงกันไปใหญ่โตและในที่สุดพระองค์ก็เริ่มแนะนำสั่งสอนให้ท่านเข้าใจกระบวนการของจิตว่าจิตในลักษณะนี้จะต้องโคมเอาไว้ที่ในที่นี้ทรงชช้คำว่าเปลืองจิตหมายความว่าเปลืองความคิดอะไรก็ตามที่มีลักษณะคุณโมเศร้าหมองบังเกิดขึ้นภายในจิตก็ต้องเปลืองออกไป เรือจะปัดกวาดออกไปการพูดถึงเปรืองมีลักษณะของการคุ้มรุมหอคุ้ ม, มใจไปใช้คำว่าเปลืองออกไปโดยบางครั้งก็อาจจะสกัดสลัดสงบระงับเป็นต้นได้แก่ทำความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นให้ออกไปจากใจของตนเองนั้นก็คือเป้าหมายในการปฏิบัติแต่อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าอาการฟุ้งของจิตนั้นเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียว ขนาดพระอริยบุคคลสามระดับข้างต้นยังละไม่ได้แต่ว่าท่านเหล่านั้นจะฟุ้งไปในกุศลธรรมเท่านั้นเองคนที่จะละความฟุ้งสั้นทางใจได้จริงๆมีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นังนั้นโดยปกติสามัญชนจะคุมอาการกุริยาของตนไว้ไม่ค่อยได้นานๆเพราะะรเพราะใจแก็ฟุ้งม่แก่ฟุ้งมากเข้า มันก็สแสดงอาการเคลื่อนไหวทางกายทางวรจ ա ออกมาบางครั้งแม้บรรยากาศที่สงบถ้าใจไม่หักเข้าไปต่างด้านสมาธิหรือเคริมหลับก็จะออกมาในรูปฟุง้งจึงมีพฤติกรรมบางอย่างที่ถ้ามองกันในแง่การวิเคราะห์จิตแล้วก็มองด้วยความเห็นใจเพราะจะมีพระเทศมีการปาตกระกบรรยายรมอะไรก็ตามบรรยากาศที่สงบนั้น ความฟุ้งทางจิตก็เกิดขึ้นภายในใจและบางทีก็เกิดนึกอะไรขึ้นมาได้ก็ต้องรีบพูดในตอนนั้นนี่ในกรณีที่ไม่เป็นคนช่างพูดแต่ถ้าเป็นคนช่างพูดก็พูดได้ทุกงานถ้าสำหรับคนที่ไม่ช่างพูดบางทีต้องพูดในตอนนั้นเพราะจิตมัฟุ้งขึ้นมาก็ทําให้ต้องแสดงต้องพูดออกไปนี่ก็เป็นเรื่องอาการของจิตทั้งนั้น การที่จะสงบระ ง, งับหรือเปลื้องความคิดฟุ้งซ่านออกไปจากใจในส่วนของกรรมฐานก็คือการตั้งสติรลึกจุดที่อารมณ์ของกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งที่เป็นสปายะคือให้ความสบายแก่ใจของตนเองเมื่อกําหนดระลึกเมื่อกําหนดพินิ้พิจารณาลงไปแล้วความสงบแห่งใจจะเกิดขึ้นโดยอารมณ์และวิธีการเหล่าใด การกวนส่นในใช้อารมณ์และวิธีการเหล่านั้นเพื่อเกิดซึ่งบงอยู่ในจุดนั้นๆทำทั้งหลายนั้นเป็นทวิภาวะคือมีฟากสองฟากหรือเป็นคู่กันเมืเ่อเจนสงบความฟุ้งก็ต้องหายไปเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เพราะความยากเย็นของการกจัดความฟุ้งสั้นทางใจนี้เอง บุคคลจึงจำเป็นจะต้องสร้างเงื่อนไขขึ้นในชีวิตประจําวันของตนด้วยการเป็นผู้ศึกษาสำเนีกสดับตับฟังมากบุคคลเราถ้ามีการศึกษาสำเนีกสดับตับฟังมากแม้บางครั้งใจจะฟุ้งไปแต่จะฟุ้งไปในสายของกุศลธรรมจะมีความคิดที่เชื่อมโยงจากจุดนั้นไปหาจุดนั้น จะเห็นความลงการสมกันแห่งธรรมะเป็นต้นจึงอาจจะเห็นถึงความแตกต่างแบบเพี้ยนของสิ่งเหล่านั้นได้แต่ถ้าเกิดความไม่รู้แล้วก็จะมีปัญหาในการปฏิบัติเพราะพื้นฐานที่จะให้เกิดเป็นความสงบแห่งใจกระจาดความฟุ้งซ่านออกไปก็ต้องอาศัยการศึกษาการสะดับสับฟังมากถึงมุ่งหมายอาการเรียนรู้ทางภาษาสัมผัส ที่สำคัญ ก, คก็คือก็คือเรื่องของตาเห็นหูได้ยินละตใจกำหนดคิดแต่นั้นในกระบวนการของการศึกษาแนวนี้ระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสรงสแสดงเป็นขั้นตอนไว้ว่าต้องเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสมากแล้วก็ต้องทรงจำเรื่องราวเหล่านั้นเอาไว้ได้แลเรื่องราวที่เก็บที่ทรงจำเอาไว้นั้นในชั้นหนึ่งก็กลายเป็นบทเรียนอย่างความรู้เรื่องราวในอดีต อั่จริงก็เรื่องตายทั้งหมดแล้วแต่ก็เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยเงื่อนไขต่างๆซึ่งพร้อมที่จะเกิดขึ้นอีกในปัจจุบันและอนาคตการเรียนรู้เรื่องเหล่านั้นเอาไว้จึงกลายเป็นบทเรียนที่สําคัญสําหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตลอดถึงการสืบต่อเรื่องราวเหล่านั้นให้มาสู่ปัจจุบันในกรณีที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองและสังคมการกําหนด จำเอาไว้จึงมีส่วนช่วยอย่างสําคัญปัญหาบางอย่างจะต้องมีการเก็บการสะสมไว้ด้วยวาจาคือท่องใดและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือต้องเพ่งพินิษพิจารณาด้วยใจแต่การเพ่งพินิษพิจารณาด้วยใจนั้นผิดกับกางฟุ้งท่านเพ่งพินิษพิจารณาด้วยใจได้แก่การนําเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาดูเพียงอย่างเดียวแล้วก็เพ่งพิพนิษพิจารณาไปจน สามารถเชื่อมโยงได้กระจายไปในที่ต่างๆก็ดีก็จริงแต่เป็นการกระจายไปเพื่อดึงกลับมาหาตัวอีกทีหนึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นคว น, นี้เพิงสังเกตว่าลักษณะเหล่านี้ทรงสอนให้ใช้ในที่สุทั่วไปเช่นการไรพบเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเราไปงานศพต่างๆเป็นต้นใจก็ฟุ้งไปกาหนดระลึกจูดในส่วนอื่นคือนอกจากตัว แต่ในที่สุดจะดึงกลับมาหาตัวเองเพาเอวังธมโมเอวังภาวีเอวังอนัติโตมีอย่างนี้เป็นธรรมดามีสภาวะเป็นอย่างนี้ไม่มีใครล่วงพ้นเป็นอย่างนี้ไปได้นั่นคือจุดการเรียนรู้จากข้างนอกแต่ก็น้อมนึกกลับมาหาตัวเองแม้เราก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้มีสภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ หลักที่เรียกว่ามนาสารโอเปกิตาก็เป็นเรื่องของความคิดเช่นเดียวกันแต่เป็นการคิดในเรื่องของการสร้างสารรค์พัฒนาหาความเข้าใจจากจุดย่อยที่สุดให้ได้แล้วก็กระจายความเข้าใจออกไปหาจุดใหญ่การเรียนในแนวนี้จึงมีทุกระดับทั้งการศึกษาการวิจัยในทางคดีโลกในการศึกษาวิจัยการเจริญวิปัสสนาในทางคดีธรรม ดูแล้วราคาจะฟุ้งเหือนกันแต่แท้จริงไม่ใช่ฟุง้งมีทิศทางที่มั่นคงแน่นอนเพราะความฟุ้งนั้นเกิดขึ้นมาจากโมฆะแต่การเพ่งพินิษฐ์พิจารณานั้นเกิดขึ้นมาจากปัญญาอาการบางอย่างก็คล้ายคลคลึงกันแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นจากการเพ่งพินิษฐ์กับผลที่เกิดขึ้นจากความฟุ้งท่านไม่เหมือนกันเราจะต้องเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้น มีปัญหาเป็นจํานวนไม่น้อยเรื่องราวเป็นจํานวนไม่น้อยที่บุคคลเก็บกดไว้ภายในใจและเป็นปัญหาที่สารไม่ได้ในที่สุดก็กลายเป็นเรื่องยุ่งยากสับสนทางความคิดข้อนี้ท่านาศาสนาสมผลแจ่มได้พูดเอาไว้เป็นภาสิทว่าปล่อยให้ยุ่งเลยมันแยกแก้มันยากยิ่งยุ่งมากก็ยิ่งแยกแก้ไม่ไวหวปล่อยยุ่งนุ่งนักจะหนักใจจงแก้ขยอยยาให้ยุ่งนุงทั้งปวง หมายความว่าอารมณ์อะไรก็ตามที่เป็นปัญหาจะไม่ควรจะเก็บไว้ก็จะมีการสอบถามไต่ถามเชิญเคียงศึกษาค้นควา้าวินิจฉัยตัดสินอารมณ์เหล่านั้นออกไปเมื่อไม่มีอะไรค้างไว้ภายในใจก็ไม่มีอะไรสมเอาเก็บเมาฟุง้งแล้วแก้ปัญหาในหัวใจได้การสอบถามไต่ถามท่านผู้รู้นั้นเป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะว่ากันตามหลักความเป็นจริงแล้วคนเราก็เรียนตามตามกันมาเท่านั้นเอง ผู้ใหญ่ท่านเรียนไวอย่างไรเราก็เรียนตามท่านอีกทีนึงหลักการปฏิบัติในชีวิตของคนจึงเป็นการตาเดินตามรอยเท้าท่านแต่อดีตทั้งหมดแต่จะจุดไหนเดินตามใครเท่านั้นแล้วผลที่ท่านอาดีตเคยสัปปะตาอย่างไรลแต่เราเดินไปบนเส้นทางอย่างเดียวกันโดยเงื่อนไขยอย่างเดียวกันผลก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับที่ท่านเคยได้รับมาแล้วในอดีต อย่างมรรคผลในทางลูกุตศาสนาด้วยการปฏิบัติตามองค์อริยมรรคทั้ง8ประการในทางลูกุศาสนานั้นเป็นปฏิปทาที่จะก่อให้เกิดเป็นความสงบระงับดับเวรภัยเป็นต้นใครจะเดินมาเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรหรือมีเท่าไหร่ก็ตามผลก็จะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนั้นประการต่อไปตัวเองจะต้องมีความจำนิจชจำนานรอบรู้ในระเบียบแบบแผนเงื่อนไขต่างต่า ง, างากฎระเบียบตลอดถึงวินยัย ยกตัวอย่างเช่นการรักษาศีลถ้าว่าเราไม่เข้าใจตลอดกระบวนการของศีลพอทาอะไรผดิดนิดนิดหน่อยก็มีปัญหาได้มันมีปัญหามากคิดมากคิดมากก็ฟุง้งออกไปในอารมณ์ต่างๆแต่ถ้ามีความจํานี้ํานาในระเบียบแบบแผนเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวกับศีลแต่ละข้อเช่นว่ า, าไปหยิบของอะไรมาทักอย่างหนึ่งจะเกิดวิตกังวล เ, เอารับศีลมาจะผิดสินหรือไม่ก็ต้องดูในองค์ของศีล เข้าใจเงื่อนไขของอธินาทานว่าการที่จะเป็นอธินาทานนั้นของนั้นจะต้องเป็นของที้จาของข้วหลวงแหนเราเองก็รู้ว่าของนั้นเจ้าของข้วหลวงแนแล้วก็มีทยจิตคือจิตคิดที่จะรักแล้วก็มีความพยายามอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ได้สิ่งนั้นมาด้วยความพยายามนั้นคือตั้งแต่ทำให้เคลื่อนจากจุดที่เขาวางไว้แล้วมันก็มีปัญหาแล้ว ในชั้นของประนาสิิแต่ถ้าหากว่าเก็บไว้ด้วยเจตนาอย่างอื่นเช่นว่าเก็บเก็บไว้เพื่อต้องการไว้ให้เขาเก็บของตกเอาไว้เพื่อ น, นาไปปฏิบัติตามระเบียบที่เขากาหนดเอาไว้ในเงื่อนไขของกฎหมายก็ไม่มีปัญหาในด้านขงังศีลแต่ถ้าไม่แน่ใจบางครั้งบางคราวคนก็ของฝากมาลืมเอาไว้ตัวเองไม่รู้จะไปส่งให้ใครแล้วก็เก็บเรื่องเหล่านั้นมาเป็นปนัญหาหัวใจ ใกล้ก็ตนจะผิดศีลไปแล้วขาดศีลไปแล้วอย่างนี้ถ้าเรารู้ก็จะพไม่เกี่ยวอะไรกันเป็นคนละเรื่องคนละกรณีมันจะเรื่องของศีลใช่ไหมแต่การเดินการเหินบางทีการรับประทานยาเข้าไปเพื่อบำบัดโรคเกรงครัดเกินไปกลัวเชื้อโรคจะตายธนูถนอมเชื้อโรคเอาไว้ไม่งั้นตนจะผิดศีลในที่สุดก็ไม่กล้ารับประทานยาจะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของปานอธิบาย สัตว์นั้นอาจจะมีชีวิตจริงเราก็อาจจะรู้ว่ามีชีวิตแต่ก็ไม่ได้มีจิตคิดจะฆ่าสัตว์แต่มีจิตคิดจะบําบัดโรคต้องการให้อาการของโรคหายเท่านั้นเองการประทานยาเข้าไปโดย ว, วัตถุประสงค์อย่างนั้นไม่มีความพยายามที่จะฆ่าใครตารับเดียวกับการเดินไปเราก็รู้กันอยู่โดยทั่วไปว่าบนพื้นดินนั้นคงจะมีสัตว์อยู่ในการเดินไปนั้นก็อาจจะเหยียบสัตว์เอาบ้างก็ได้ าแสดงว่าสิ่งสองข้อแรกองค์ของสิ่งสองข้อแรกก็มีรู้ว่สัตว์มีชีวิตสัตว์นั้นมีชีวิตเราก็รู้ว่าสัตว์มีชีวิตแต่ไม่มีจิตคิดจะฆ่าไม่มีการทําความพยายามที่จะฆ่าสัตว์อาจจะตายก็ได้เราก็ไม่รู้เพราะไม่ได้ไปเจตนาไม่ได้ไปเห็นแล้วแกล้งเหยียบอย่างนั้นถ้ามีความจํานี้จำนานรู้เงื่อนไขต่างๆอย่างนี้เราจะแก้ความสงสัยในปัญหาเหล่านั้นออกไปได้ อีประการหนึ่งก็คือต้องใกล้ชิดพุทธบุคคลได้แก่ท่านผู้ใหญ่ที่จเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจเจริญด้วยอายุแล ะ, จะเจริญด้วยคุณธรรมเพราะท่านเหล่านี้สามารถเป็นที่พํานักทางใจจะแก้ไขปัญหาที่บังเกิดขึ้นให้แก่ตนได้แยิ่งกันไปกว่านั้นก็คือต้องเกี่ยว ข, อข้องกับผาสมาคมกับคนที่เป็นคนดีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นกันลยาตมิตร เวลาสนทนาปราศัยเรื่องอะไรกันก็ต่ำจะต้องไม่พูดที่เรื่องหนึ่งก่อให้ฟุ้งซ่านออกนอกลกูนอกทางไปบางครั้งสนทนาการเสร็จก็ไป น, นอนมือก่ายหน้าผากแสดงเห็นว่าเรื่องนั้นมีปัญหาแล้วสางไม่ออกแม้แต่คุยกันอย่างสางไม่ตกและภาษาอะไรจะมานั่งสางหรือกำผังตัวเองถ้าเป็นเช่นนี้แล้วมีปัญหาทางใจแน่นอน แม้จะนั่งกรรมาฐานก็สลัดสนิมเหล่านี้ไม่ออกยิ่งนอนก็อาจจะถึงกับไม่หลับไปเลยเรื่องของความฟุ้งซ่านทางใจจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องอาศัยการสร้างเงื่อนไขขึ้นในชีวิตประจำวันให้สามารถมีกําลังในการเปลื้งความรู้สึกเหล่านี้ออกไปจากใจได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบุคคลจะต้องรู้ว่าสินี้เป็นโทษโดยสถานะ แล้วก็มองเห็นไปจากแก่ใจว่าเป็นโทษจึงจะพร้อมที่จะสละละวางและสร้างเงื่อนไขเพื่อให้มีกำลังใจกล้าแข็งขึ้นพร้อมที่จะละความฟุ้งซ่านทางใจที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะได้ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป